วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยจึงเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธเราที่จะเข้าวัดกันเพื่อกราบพระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนแต่พรที่พวกเราต้องการจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่เราต้องเป็นผู้ให้พรกับตัวเราเองเพราะว่าพรที่เราต้องการนี้มันเกิดจากการกระทำของเราไม่ได้เกิดจากการให้ จากพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสือ่อมของจิตใจของพวกเราเกิดจากการกระทำของเราที่เรียกว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำดีก็ได้ความสุขความเจริญทำบาปก็จะได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมของจิตใจนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนที่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือการกระทาของใจ ผ่านทางร่างกายผ่านทางวาจาทำให้เกิดผลต่อจิตใจเช่นทำดีทำบุญก็จะทำให้จิตใจมีความสุขจิตใจก็จะสูงขึ้นถ้าทำบาปจิตใจก็จะทุกข์จิตใจก็จะเสื่อมลง ใจของเราตอนนี้อยู่ในระดับของมนุษย์แต่ระดับของมนุษย์นี้เป็นระดับปานกลางคือไม่ดีไม่ชั่วอยู่ตรงกลางถ้าทำความดีใจเราก็จะสูงขึ้นถ้าทำบาปทำไม่ดีใจของเราก็จะลงต่าถ้าเปรียบเทียบใจของเรา ก็เป็นเหมือนอาคารอาคารสูงที่มีอยู่หลายชั้นด้วยกันชั้นของมนุษย์นี่อยู่ประมาณชั้นที่ห้าของตัวอาคารสูงกว่าชั้นของมนุษย์คือตั้งแต่ชั้นที่หกขึ้นไปก็เป็นชั้นของเทพของพรหมของพระอริยบุคคลถ้าต่ำลงกว่าชั้นที่ห้าคือชั้นที่สี่ ลงมาก็เป็นเป็นชั้นของเดลฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกนี่คือจิตใจของพวกเราที่สามารถที่จะขึ้นสูงก็ได้จะลงต่ำก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในขณะที่เราเป็นมนุษย์อยู่นี้ถ้าเราทําบุญทําความดี เราก็จะสะสมความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นและยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะได้ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพเราก็จะได้ไปเป็นพรหมจากพรหมเราก็จะได้ไปเป็นพระอริยบุคคลไปสู่พระนิพพานสู่การสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ส้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราทำบาปใจของเราก็จะเกิดความทุกข์มากขึ้นแล้วก็ใจเราก็จะลงต่ำลงจากมนุษย์เราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานเราก็จะกลายเป็นเปรดเป็นอสุรกายและไปนรกขั้นที่ต่ำที่สุดขั้นที่มีความทุกข์มากที่สุด ก็คือขั้นของนรกนี่แหละคือจิตใจของพวกเราทุกคนที่ยังตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมอยู่เพราะพวกเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อยู่เรื่อยๆด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาความหลงที่ทำให้เรา เห็นว่าการได้มาเกิดนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อเราได้เกิดเราก็จะได้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือหาความสุขจากโลกรธรรมทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสารเสริญและความสุขจากการได้เสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลธพะชนิดต่างๆ แต่โลกธรรมทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวรเป็นสิ่งที่จะต้องมีวันเสื่อมลงมีวันหมดไปเวลาที่ราบยศชลเสริญสุขเสื่อมลงไปใจก็จะต้องเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่คือสาเหตุที่ทำไมพวกเรา จึงมาเกิดกันอยู่ในภพนี้และภพต่อไปเรื่อยๆก็เกิดจากความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้โดยสรบก็คืออยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิน่นรสผลตภะชนิดต่างๆและการที่เรา จะไปหาลาบยศเสริญสุขมาเสพบางทีเราก็ไม่ต้องทำบาปบางทีเราก็ต้องทำบาปเพราะว่าบางทีถ้าเราหาโดยวิธีสุดจริตไม่ทำบาปเราหาไม่ได้หือหาได้น้อยถ้าเราอยากได้นั่งมากอย่างได้ง่ายๆอย่างได้เร็วๆ เราก็มักจะไปใช้วิธีทำบาปเมืม่อเราทำบาป<ม>ถึงแม้ว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาคือได้ราบยศเสริสน์<ม>ได้ความสุขจากการเสษ ร, รูปเสียงกินลถเราก็ได้ความทุกข์ทางใจมาด้วยเราก็ได้ได้ลดสถานภาพของจิตใจลงของพวกเราให้ต่ำลง<ม><ม>หลังจากที่เราตายไปแล้ว ใจของเราที่ได้ลถสถานภาพที่ต่ำลงกว่ามนุษย์ก็จะต้องไปรับผลบาปของบาปที่ได้กระทำไว้ mm hmm. เช่นถ้าทำบาปด้วยความหลง mm hmm. ตายไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เลร้ยฉนถ้าทำบาปด้วยความโลภตายไปก็จะไปเกิดเป็นเปรต mm hmm. ถ้าทำบาปด้วยความกลัว ตายไปก็จะไปเกิดเป็นนสุลกายถ้าทาบาปด้วยความอาคาตพยาบาทก็เวลาตายไปก็จะไปตกนรกนี่คือผลของบาปที่จะตามมาต่อไปไม่ใช่ว่าเราตายแล้วร่างกายตายแล้วทุกอย่างก็จะจบลงร่างกายตายไปแต่ใจ ผู้ที่มาครอบครองร่างกายผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธะชนิดต่างๆนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายใจเป็นธาตุรู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดแต่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกาย เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนใจนี้เป็นผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆด้วยอำนาจของความอยาก<ข>ที่มีอยู่ในใจที่คิดว่าถ้าได้สิ่งที่อยากได้มาเสพมาสัมผัสแล้วจะได้ความสุขแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ถึงธรรมชาติของสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง มีเจริญก็มีการเสื่อมได้เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เป็นของเราให้ทำตามให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาวันใดวันหนึ่งสิ่งที่เราหามาเพื่อให้ความสุขกับเราก็อาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะหมดไป เวลาเกิดเปลี่ยนไปจากของดีกลายเป็นของไม่ดีไปจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีไปรูื้อจากคนเป็นกลายเป็นคนตายไปสิ่งที่ตามมาก็คือความเศร้าโศกเสียใจนี่แหละคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำบาปต่างๆที่เราอาจจะ คิดไม่ถึงว่ามันมีผลต่อจิตใจของพวกเราหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วคนที่ทำบาปนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าตายแล้วศูนเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลบาปต่อไปตายไปแล้วคนตายเขาก็ไม่จับไปติดคุกติดตาราง สวรรค์น้ำโอกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนร่างกายก็มีแต่จะกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปหรือถ้ า, อาไปฝังก็กลายเป็นดินไปนั่นเพราะนั่นเป็นเพราะว่าเราเห็นเพียงครื่องเดียวของชีวิตของพวกเราเราเห็นตัวร่างกายแต่เราไม่เห็นตัวใจผู้เป็นนายของร่างกายผู้เป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการกระทำสิ่งต่างๆกระทำบาบ้างกระทำบุญบ้างกระทำสิ่งที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้างแล้วผลของการกระทำนี่แหละที่จะส่งผลไปที่จิตใจไม่ได้ส่งผลไปที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาป ไม่ได้สุขได้ทุกจากการทาบุญหรือการทาบาป mm hmm. เวลาเราทำบาปใจเราจะทุกข์ใจเราจะร้อนขึ้นมา mm hmm. เวลาเราทำบุญใจเราจะเย็นใจเราใจของเราจะมีความสุขกัน mm hmm. ความสุขและความทุกข์ที่เกิดจากการทำบุญหรือการทำบาปนี้มันจะสะสมไปใน ใ, นใจอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้หมดไป เวลาเราทำบาปถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วหลายเดือนถ้าเราไปคิดถึงมันเมื่อไหร่ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเช่นเดียวกับการทำบุญถ้าเราไปคิดถึงบุญที่เราเคยทำมาแล้วหลายเดือนที่ผ่านมาใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมาได้เพราะว่าบุญและบาปนี้ยังไม่ได้หมดยังสะสมอยู่ในใจ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะเริ่มใช้บุญหรือใช้บาปก็ต่อเมื่อหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปถ้าบาปที่เราทำไว้มีมากกว่า บ, บุญบาปก็จะส่งผลก่อนสร้างทำให้จิตใจทุกข์ร้อนทำให้จิตใจต้องไปเกิดในภพที่ไม่ดีภพที่ต่ำกว่าภพบของมนุษย์ก็คือไป เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างถ้าได้เกิดถ้ายังไม่ได้เกิดเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดงวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวที่เรียกว่าสุรกายหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นน้อนหลนอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่านรกนี่หละคือผลที่จะตา ม, มา จากการทำบาปในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบุญทำความดีต่างๆถ้าเราทำบุญทำทานแล้วเราไม่ทำบาปเรารักษาศีลห้ากันไม่ทำบาปกันเวลาเราตายไปเราจะมีบุญมากกว่า บ, บาปแล้วบุญนี้ก็จะให้ความสุขกับใจ ความสุขของใจในขณะที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าสวรรค์ก็จะเป็นสวรรค์ชั้นเทพวความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานเกิดจากการรักษาสิ่งจิตใจเราก็จะสูงขึ้นน <precisa. S 1> ละความสูงขึ้นหรือต่ำลงของจิตใจของเรานี้ไม่ได้เกิดตอนที่เราตายกันมันเกิดตั้งแต่ขณะที่เราทําบุญหรือทําบาปเลย เช่นตอนนี้พวกเราทุกคนมีร่างกายเป็นมนุษย์ตอนที่เรามาเกิดตอนนั้นจิตใจของเรามีบุญนะมีบาปเท่าๆกันบาปก็ไม่มากกว่าบุญบุญก็ไม่มากกว่าบาปบาปเลยไม่ดึงใจดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปเกิดในอบายส่วนบุญก็มีไม่มากกว่าบาปบุญก็ไม่ได้มิไม่สามารถดึง ดวงวิญญาณของเราให้อยู่ในสวรรค์ได้ ช, ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กัน ช, ช่วงที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นช่วงที่เรามีบุญและบาปเท่าๆกันใจเราก็มีสุขมีทุกข์เท่าๆกันบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์สลับกันไปสลับกันมาแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มมีการสะสมมีการทำบุญ หรือมีการทำบาปขึ้น อ, อยู่กับนิสัยเดิมที่เรามีติดตัวมากับใจของเราถ้าเรามาจากอบายมาจากนรกมาจากการเป็นเปรตเป็นอนุรกายหรือมาจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะมีนิสัยที่ชอบทำบาปติดตัวเรามามแล้วเราก็มักจะทำบาปต่อไปเวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราจะหาอะไรหาทำมาหากินก็มักจะหากินแบบ<ม>ด้วยวิธีการทำบากเพราะเราเคยทำแบบนี้มาก่อนในชาติก่อนๆ<ม>ในทางทางตรงกันข้ามถ้าเราลงมาจากสวรรค์ ม, ม, มาเกิดเป็นมนุษย์<ม>เวลาที่เรามาทำมาหากินหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ<ม>จากรูปเสียงกลิ<ม>่นรสเราก็จะหาโดยวิธีไม่ทำบาก เราก็จะมารักษาศีลห้าเป็นอย่างตำ่ำแล้วเราก็จะทำบุญทำทานถ้าเรามีเงนินมีทองมีข้าวของที่เหลือกินเหลือใช้พอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความสุขได้พอที่จะบรรเทาทุกข์ความลำบากของผู้อื่นให้น้อยลงได้เราก็จะกลับมาทำบุญเพราะมันเป็นนิสัยที่จะติดมากับเราตอนนี้ใจของพวกเรานี้ ถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจของพวกเราแต่ละคนนี้จะไม่เท่ากันเพราะว่าเราทําบุญทําบาปกันมาไม่เท่ากันใจบางคนก็อาจจะยังเป็นมนุษย์อยู่ตัวยังห้าสิบห้าสิบอยู่ยังไม่ได้บุญยังไม่มากกว่าบาปบาปยังไม่มากกว่าบุญบางคนทําบาปเพิ่มมากขึ้นทําบุญน้อยกว่าบาปใจก็จะเริ่มเสื่อมลง ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้อาจจะเป็นเปรตก็ได้อาจจะเป็นนสุรวกายหรืออาจจะเป็นนรกก็ได้เช่น<ม>เดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบุญมากกว่าบาง<ม>ใจเราตอนนี้ก็อาจจะเป็นเทพก็ได้อาจจะเป็นพรหมก็ได้อาจจะเป็นพระอาริยบุคคลก็ได้<ม>เป็นพาาระอรหันต์ก็ได้ ใจเหล่านี้รับผลบุญรับผลบาปตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายใจเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกับเหมือนกับตัวอาคารที่เราอยู่ที่ใจเป็นเหมือนตัวอาคาร<ม>ตอนตอนที่มาเกิดใจอยู่ชั้นห<ม>้าแต่พอได้ทำบุญทำความดีใจก็เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ชั้นหกชั้นเจ็ดตามลาดับต่อไปในทางตรงกันข้ามถ้าทำบา ใจก็จะเลื่อนลงจากมนุษย์ก็ลงมาสู่เดรันาสู่เปรตสู่สุรากายสู่นรก<ม>ตามกำลังของบาปที่ได้ทำกันไว้<ม>ร่างกายถึงแม้ยังเป็นมนุษย์แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ได้<ม>นี่คือเรื่องของความสุขความเจริญที่แท้จริงคือความสุขความเจริญของใจ เพราะว่าเป็นความสุขความเจริญที่ยั่งยืนกว่าความสุขความเจริญทางลาบยศฉรเสริญสุขทางโลกธรรมทั้งสี่ความสุขความเจริญของโลกกระทำนี้ก็แค่เวลาที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองพอร่างกายตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีกี่ร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแม้แต่บาทเดียว ยศ ถ, ถาบรรดาศักดิ์ก็เอาไปไม่ได้ความสันละเสริญเยนยอต่างๆก็เอาไปไม่ได้ความสุขจากการได้เศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็หมดไป mm hmm. เวลาตายไปใจต้องอาศัยบุญเมื่ออาศัยบาปเป็นที่พึ่งถ้าทำบาปบาปเป็นที่พึ่งบาปก็จะให้ความทุกข์ร้อนแก่จิตใจถ้าทำบุญบุญก็จะให้ความเย็ยนให้ความสุข แก่จิตใจจิตใจก็จะไปเกิดระหว่างสุกติกับทุกติถ้าทําบาปบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปเกิดในทุกติคือเกิดในอบายทั้งสี่คือเป็นเปรตบ้างเป็นเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างแล้วก็จะอยู่ในอบายนี้ไปจนกว่าบาปที่ได้ที่ได้ทํามานี้หมดกําลังลง พอหมดกำลังลงบาปกลับมามีกำลังเท่ากับบุญเวลานั้นดวงวิญญาณก็จะมารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่ต่อไปเช่น mm hmm. เดียวกับการทําบุญการทําบุญถ้าทําบุญด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาสีหน้าจิตก็จะสะสมสวรรค์ชั้นเทพ mm hmm. เวลาร่างกายตายไปจิตก็จะจิตก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพ อยู่ตั้งแต่ยังไม่ตายอยู่ตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายจิตเป็นเทพไปแล้วแล้วก็จะเริ่มใช้ใช้ใช้ผลบุญผลผลบุญที่ได้ทำไว้ไปเรื่อยๆจนกว่าผลบุญจะหมดกำลังลงใจคือดวงวิญญาณก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มถ้าทำบุญที่สูงกว่าคือสวรรค์สวรรค์มีหลายชั้นด้วยกันนอกจากสวรรค์ชั้นเทพแล้วยังมีสวรรค์ชั้นพรหม การที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็ต้องทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทำบุญด้วยการรักษาสีแปดขึ้นไปต้องอยู่แบบนักบวชต้องละเว้นการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าชนิดต่างๆแล้วก็มาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ใจรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิ หรือเป็นรูปประชานหรืออรูปประชานถ้าได้รูปประชานใจก็จะเป็นผอมชั้นรูปชั้นรูปประพรมถ้าได้อรูปประชานใจก็จะได้ได้เป็นอรูปประพร ม, มรูปประพรมนี้มีความสุขน้อยกว่าอรูปประพรมแต่รูปประพรมนี้มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพ แล้วเหนือขึ้นไปกว่าสวรรค์ชั้นอรูปประพมก็คือสวรรค์ของพระอริยะบุคคลการที่จะเข้าถึงสวรรค์ชั้นอริยะบุคคลได้นี้จาเป็นต้องมีปัญญาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครจะสามารถขึ้นไปสู่สวรรค์ ระดับของพระ อ, อริยบุคคลได้จะได้ยังมากแค่สูงสุดก็คือสวรรค์ชั้นอรูปประภมสวรรค์อรูปประภมสวรรค์รูปประภมหรือสวรรค์ชั้นเทพนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่ยังมีการเจริญมีการเสื่อมได้อยู่เวลาตายไปถ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่ ถ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมบุญที่ส่งให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมหมดกาลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาหาความสุขที่ต่างกัน<ม>พวกที่เป็นเทพกลับมาจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์ก็จะมาหาความสุขจากการทำบุญทำทานหาความสุขจากการรักษาศิลห้า ส่วนพวกที่ไปสู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมหรือรูปประพรมพวกนี้เวลากลับมาเกิดก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวชถือศีลแปดกันละเว้นการหาความสุขจากการเสพกามคุณห้าหรือจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เพราะความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี้ยาบกว่า ความสุขที่ได้จากการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบเป็นรูปฌปานหรือเป็นอรูปฌานขึ้นมาตรงนี้ถ้ากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดเป็นนักบวชกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาบาเพ็ญเจริญสตินั่งสมาธิพอตายไปก็จะกลับไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมก็ยังมีการเวียนไห้ตายเกิดอยู่ ไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภพไหนก็ตามภ พ, พของพรหมภพของเทศก็ยังเสื่อมได้ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมน้ำมันใหม่ภพของมนุษย์นี้เป็นภพเดียวท่านั้นที่เป็นภพที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลหรือสร้างบาปต่างๆได้ส่วนภพอเนินนี้เป็นภพที่เราไปรับผลบุญกัน mm. จ เวลาไปเป็นเทพเราก็จะไม่มีที่ทำบุญกันมีแต่ที่ที่เที่ยวกันที่หาความสุขกัน <c oughs> เวลาไปเป็นพรหมก็เช่นเดียวกันไม่มีที่ที่เราจะไปบาเพ็ญเจริญสตินั่งสมาธิกันเพราะใจเราสงบเป็นสมาธิอยู่แล้ว <c oughs> ต้องเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด้จะต้องกลับมาเกิดเพราะว่าบุญบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพนเป็นพรหมนี้ ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเส้นสุดลงเหมือนกับน้ำมันรถที่เราเติมเข้าไปในรถนี่ mm hmm. พอเราเติมน้ำมันรถเต็มถัง mm hmm. แล้วเราก็ขับรถไปเรื่อยๆ mm hmm. เดี๋ยวในที่สุดน้ำมันก็จะหมดลง mm hmm. พอหมดลงเราก็ต้องแวะจอดตามปั๊มน้ำมัน mm hmm. เพื่อเติมน้ำมันใหม่ภ mm hmm. พชาติของมนุษย์นี้จึงเปรียบเหมือนกับเป็นปั๊มน้ามันเป็นสถานีบริการ ที่รถยนต์ทุกคันจะต้องมีการขับมาจอดมาเติมน้ามันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าถ้าขาดน้ามันเมื่อไหร่รถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ mm hmm. จิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันจิตใจของพวกเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อยู่เรื่อยๆเมืนน่ออนิสงของบุญหรืออ น, นิสงของบาปมันหมดกาลังลง mm hmm. เราก็จะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทำตามเจลินิสัยเดิมที่เราเคยทา ถ้าเรากลับมาจากก บ, บายเราก็จะมีนิสัยชอบทําบาปเราก็จะกลับมาทําบาปใหม่ถ้าเราถ้าเรากลับมาจากสวรรค์ชั้นเทพเราก็จะกลับมาทําบุญใหม่ทาบุญทําทานรักษาศีลหน้ากันต่อถ้าเรากลับมาจากสวรรค์ชั้นพรรมเราก็จะมารักษาศีลแปดหรือรักษาศีลที่สูงกว่าศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดเป็นต้นแล้วก็มาอยู่แบบนักบวช มาเจริญสติมานั่งสมาธิหาความสุขจากการทำใจให้สงบก็จะเป็นก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันเช่นสุดทุกครั้งที่มาเกิดไม่ว่าจะมาจากสวรรค์หรือมาจากอบายเวลาได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะต้องมารับกับความทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเรื่อยๆ ถ้าไม่อยากที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็จาเป็นที่จะต้องมีปัญญาปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสูซึ่งจะไม่มีใครสามารถที่จะพบปัญญาระดับของพระพุทธเจ้านี้ได้เลยนอกจากพระโพธิสัตว์น า, นานจะมีพระโพธิสัตว์ที่มาเกิดในโลกนี้สักองค์หนึ่งแล้วมีความรมีความฉลาดมีความสามารถ ที่จะเข้าถึงปัญญาอันวิเศษที่จะสามารถทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี้สิ้นสุดลงได้ถ้าใครได้มาเกิดในยุคที่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าก็จะมีโอกาสที่จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงใจของดวงวิญญาณของตนได้แต่ถ้าไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีคาสั่งคาสอน ของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของตนได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไปจนกว่าพบใดพบหนึ่งพบของมนุษย์ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอย่างอย่างพวกอย่างพบนี้ของพวกเหล่านี้ หรือว่าเป็นพบที่วิเศษพบที่เกิดขึ้นได้ยากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นของยากเพราะต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เป็นของยากถ้าเราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือเขาทำคำสอนหรือพระ อ, อ, อริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะเราจะได้ความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราให้รู้ถึงสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของใจของเราพวกเราว่าเกิดจากอะไรสาเหตุที่พาให้ใจเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เกิดจากปัญหาความอยาก สามประการนั่นเองความอยากที่จะหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดการมาตัญหาก็จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดอยู่เรื่อยๆถ้าเราความอยากชนิดที่สองก็คือความอยากหาความสุขจากความสงบระดับรูปฌปานเราก็จะกลับมา หลังจากที่เราลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมโลกเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อยากจะไปหาความสุขจากการเข้าสมาธิขั้นรูปฌานเราก็จะไปอยู่แบบนักบวชกันเช่นเดียวกับผู้ที่มีความอยากที่จะหาความสุขจากการรูปฌานก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะมาเป็นนักบวชเพื่อมาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงความสงบของอรูปฌาน<ม>ก็ยังต้องพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบตายพบก็คือการมาพบรูปพบและอรูปพบ<ม>การมาพบก็คือพบของผู้ที่เสก<ม>กรรมผู้ที่เสกกรรมมีใครบ้างก็มีมนุษย์<ม>พวกเราเป็นพวกมนุษย์<ม>พวกยังยังมีความอยากจะเสกกรรมอยู่พวกเทพก็มีความอยากจะเสกกามแต่เทพเขาจะเสก รูปทิพย์เสียงทิพย์เวลาที่ไม่มีร่างกายเทพก็จะใช้จิตนี้ไปไปหารูปทิพย์เสียงทิพย์มามาเสกกันเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็มีตาหูจมูกนิ้วกายเหมือนมนุษย์เงแต่ว่าร่างกายของเขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีความสามารถเท่ากับมนุษย์เขาจะอยู่ยากลาบากกว่าการอยู่แบบมนุษย์เขาจะมีภยัยมีอันตรายมีทุกข์มากกว่ามนุษย์ แต่เขาก็มาเสกกามเช่นเดียวกันแล้วก็พวกเปรตพวกอสุล <t rain> กาย <Michael> พวกนรกก็เป็นพวกที่เสกกามเหมือนกันเสกรูปทิพย์เสียงทิพย์กินทิพย์แต่เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์ทุกข์ทรมานใจ <t rain> ทุกข์ด้วยความหิวพวกเปรตนี้เขาจะทุกข์ด้วยความหิวพวกอสุลกายเขาจะทุกข์ด้วยความหวาดกลัวพวก น, นรกนี้เขาจะทุกข์ด้วยความ ด้วยความมาคากพยาบาปเคียดแค้นนี่คือ ส, สาเหตุที่พาให้สัตว์โลกยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบนี้อยู่อยู่ในการมาพบพวกที่เสพกลามอยู่ในรูปประพบพวกที่เสพรูปประชานอยู่ในอรูปประพบพวกที่เสพรู ป, ประชานถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาหยุดการเสพกลามให้ได้ แล้วก็มาอยู่การเสด ร, รูปประชาญและลูก ป, ประชาญตามลําดับต่อไปถึงจะสามารถที่จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทําบุญมาทําบาสมาเติมน้ําบัลเติมบุญชนิด ต, ต่างๆมาเติมบาปชนิด ต, ต่างๆอีกต่อไปอความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปอใจก็จะอยู่กับความสงบ ที่ยั่งยืนถาวรใจที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชําระซักพอกจิตใจให้สะอาดซักพอกความอยากทั้งสามที่เป็นเหตุให้พาให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็ ừ ừ, จะถูกชําระซักล้างไปให้หมดสิ้นไปจากใจ ừ, ừ, แล้วใจก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป แต่ใจที่ไม่ได้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังเป็นใจเหมือนกับใจของพวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อยู่ในโลกทิปเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นใจที่ไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีความอยากไม่มีความอยากที่จะไปมีมีร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายก็ต้องก็ไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใจไม่ได้สูญไปไหน ใจของผู้ที่ไม่ได้มาเกิดนี้ก็ยังอยู่ในโลกทิพย์เหมือนตอนที่ยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพาาระลานนี้ตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นพาาระลานใจของท่านก็อยู่ในโลกทิพย์อยู่ที่เดิมแต่ใจของท่านวุ่นวายกับการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆวุ่นวายกับการไปหาคว า, า, า, า, ามสุขจากรูปประชานวุ่นวายกับการไปหาความสุขจากอารมูปชาน ท่านนั้นเองแล้วก็ต้องไปวุ่นวายกับการมีร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเหล่านี้แต่แต่ใจก็อยู่ที่เดิมหลังจากที่ท่านได้บรรลุมักผลนิพพานแล้วหลังจากที่ท่านได้ชำระความอยากต่างๆที่เป็นเหตุให้ใจของท่านมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอไม่มีการเกิดอยู่เรื่อยใจก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ไม่ได้ย้ายที่ไปไหน เพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายร่างกายนี้มีรูปร่างหน้าตาจึงมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายได้แต่การเคลื่อนไหวของจิตใจนี้เคลื่อนไหวด้วยความรู้สึกนึกคิดทั้คิดสุขคิดทุกข์นี่นีคือการเคลื่อนไหวของใจใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ก็จะเคลื่อนไหวอ ย, อยู่กับความทุกข์เป็นส่วนใหญ่แต่ใจที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนี่ใจนี้จะไม่มี การเคลื่อนไหวไปในทางความทุกข์ใจเนะลยจะมีแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวพอรู้จักวิธีดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจว่าเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้พอได้ชำะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจจะมีแต่ความสุขที่ยั่งยืนถาวรไปตลอด ใจไม่ได้สูญหายไปไหนตอนก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่จะเป็นพระอาหารหันต์ใจก็อยู่ในโลกทิพย์หลังจากที่เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากเป็นพระอาหารหันต์แล้วใจก็ยังอยู่โลกทิพย์เหมือนเดิมต่างกอนที่อยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์เท่านั้นเองถ้ายังมีกิเลสตัณหาความโลภความอยากอยู่เวลาที่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแต่ละครั้งใจก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญา มีกำลังของสติที่จะระงับหยุดความโลบความอยากต่างๆได้แล้วไฟที่เกิดจากความโนบความอยากต่างๆก็หายไปหมดเมื่อไม่มีไฟใจก็เย็นใจก็สงบไปตลอดอ น, นี่คือจิตใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีโอกาสที่จะพัฒนายกระดับให้ขึ้นสู่ระดับพระอริย บ, บุคคล ค้นสู่ระดับพระพุทธเจ้าพระอาหลันตัสสาวกได้เพียงแต่อยู่ว่าเรามีความศรัทธาในเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดมากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองถ้าเรามีศรัทธามากเราก็จะมีความเพียรมากถ้าเรามีศรัทธาน้อยเราก็จะมีความเพียร น, น้อย แล้วก็ถ้ามีมีศรัทธาน้อยมีความเพียรน้อยการปฏิบัติก็อาจจะไม่ได้ผลในภพนิชาตินี้ก็ได้ถ้าไม่ได้พบไม่ได้ผลในภพนิชาตินี้ก็เป็นการเสียโอกาสเสียโอกาสอันดีเลิศพ่าพบหน้าชาติหน้ากลับมาเราก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ไม่ได้พบกับคําสอนอีก เมื่อไม่มีคำสอนเราก็เหมือนกับคนตาบอดที่ไม่มีคนนำทางเราก็จะถูกอำนาจของโมหะความหลงความมืดบอดชักจูงเราให้ไปทำตามความอยากตา่างๆที่ยังไม่ได้รับการชาระยังไม่ได้รับการากำจัดให้หมดสิ้นไปจากใจดังนั้นถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาและเรามีศรัทธา สิ่งที่เราควรจะทําทก็คือเราควรจะทําทความเพียรให้มากขึ้นแล้วก็ศึกษาธรรมะคําสั่งคําสอนให้มากขึ้นเพล้วเสริมสร้างศรัทธาให้มีกําลังมากขึ้นเมื่อมีศรัทธามากขึ้นความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามก็จะมีมากขึ้นเมื่อมีความเพียรมากขึ้นโอกาสที่จะที่จะบรรลุธรรมก็จะเร็วขึ้น แล้วก็อาจจะทำให้เราทำให้ได้สำเร็จภายในภพนี้ชาตินี้ก็ได้นี่คือประเด็นที่จะพวกเราจะต้องตัดสินใจกันเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว<ม>ได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้เรียนรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพวกเราแล้ว<ม>พวกเราจะทาอะไรกันต่อไป<ม>เราจะเริ่มทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำกันอย่าง อย่างคำขมักขมิ้นหรือไม่หรื อ, อยังจะทําทแบบสบายสบายยังหลงติดอยู่กับความสุขของทางโลกกระทำอยู่ยังติดกับลาบยศสลเสริญยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าเรายังติดอยู่โอกาสที่เราจะไปปฏิบัติธรรมให้ให้สำเร็จภายในภพนี้ชาตินี้ก็จะยากถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเท่าที่เราศึกษาประวัติของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ส่วนใหญ่นี้ท่านต้องสละลาบยศสละเสริญสุกันไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครเป็นเป็นพระราชาหมาขาสาศยกก็ต้องสละราชสมบัติเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะลาชกูมาก็ต้องสละราชสมบัติสละความสุขทางลาบยศเสริญสุขเพื่อที่จะได้ไปไปอยู่ที่สถานที่สงบสถานที่เอื้อต่อการเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อทาการชำระจิตใจให้สารให ทำให้จิตใจสะอาบริบสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แต่ถ้าเรายังเสียดายยังรักลาบยศฉลเสริญอยู่ยังรักความสุขทางรูปเสียงกดลดดิ่นรสอยูยังอยากจะอยู่กินนอนอย่างสุขอย่างสบายอยากจะกินเวลาไหนก็ได้กินอยากจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้นอนอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวอยู่ถ้าเรายังติดอยู่กับความสุขเหล่านี้ เวลาที่เราจะให้กับการทําความเพียเเรเพื่อชําระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นี้มันก็จะมีน้อยมากเมื่อทําน้อยผลมันก็จะได้น้อยแล้วมันอาจจะไม่ทันการเพราะเวลาของเรามันก็จะหมดไปเรื่อยๆเวลามันไม่หยุดคอยเรานะมันผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวันเวลาที่เรามีเหลืออยู่ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเวลาของพวกเราแต่ละคนมีเหลือ มากน้อยเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายกันเมื่อไหร่บางคนอาจจะตายวันนี้ก็ได้บางคนอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้เดือนหน้าก็ได้หรืออีกสิบปียี่สิบปีก็ได้ไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือความตายมันค่อยๆคืบคลานเข้ามาเทละเล็กเท่าน้อยและเวลาอันมีค่าโอกาสทองที่เรามีอยู่นี้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบเร่งขนไถย พยายามปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะเราไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการศึกษากับการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราอยากจะมีกําลังใจในการที่จะเดินทางไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องศึกษาประวัติของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วว่าท่านทํากันอย่างไรท่านอยู่กันอย่างไรท่านอยู่เหมือนเราหรือไม่ท่านยังหาเงินหาทองหาลาบยสะะสศสารสนุขกันอยู่หรือไม่หรือว่าท่านเห็นว่าลาบยสะะสศสารสนุขก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวตายไปเงินทองที่หามาได้ไม่ว่าจะเป็นกี่รอยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านก็ต้องทิ้งให้คนอื่นทั้งหมด เอาไปไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์กับตนเองเลยหลังจากที่ตายไปแล้วและความสุขที่ได้จากราดยศเสริสนจากลดเสียงกิริลดเมื่อมาเทียบกับความสุขที่ได้จากการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันก็เป็นเหมือนฟ้ากับดินการหลุดความสุขที่ได้จากการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เขาเรียกว่าปรมังสุขขังนิ่บาหนังปรมังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แล้วก็เป็นความสุขที่ ย, ยั่งยืนถาวรที่จะอยู่กับใจเป็นเป็นของใจไปตลอดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปจากใจแต่ความสุขที่ได้จากราบยศสรเสริญจากรูปเสียงจิตเรื่อนี้พอร่างกายเป็นอะไรไปหรือตายไปเท่านั้นแหละความสุขเหล่านี้ก็หมดไปทันทีแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวมาได้ด้วย เวลาเรามาเกิดเราก็มาตัวเปล่าๆกันเวลาเราตายเราก็ไปตัวเปล่าๆไปกับบุญกับบาปท่านั้นที่เราเอาไปได้ <S 1> <S 1> ถ้าเราทําบุญเราก็จะเอาบุญไปกับเราถ้าเราทําบาปเราก็เอาบาปไปกับเราถ้าเราถ้าเรามาสร้างนิพพานได้สาเร็จเราก็จะเอานิพพานไปกับเรา <S 1> <S 1> <S แต่เราจะทําได้ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าเรื่องเรื่องของการสร้างนิพพานขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีแบบแปลนไม่มีคนสอนบอกวิธีสร้างนิพพานขึ้นมาในใจว่าสร้างอย่างไรทำได้อย่างมากก็แค่ทำบุญระดับสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นแต่จะไม่สามารถสร้างสวรรค์ชั้นนิพพานขึ้นมาได้ต้องมาีาต้องมาเกิดในยุคที่มีมพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเงินนานจะเกิดขึ้นสักครั้ง ไม่ได้หมายความว่าพบหน้าชาหน้าเรากลับมาเกิดแล้วยังจะมาเจอพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีตามคําทํานายของพระพุทธเจ้าถ้าเราตายจากครบอบนี้ไปแล้วเราต้องไปใช้บุญใช้บาปอีกไม่รู้กี่กี่ร้อยปีกี่พันปีก็ได้กว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้เรื่องมรรคผลนิพพานเราก็จะไม่รู้เรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่าทําได้อย่างไรบ้างเราก็จะต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือเจอกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เราถึงจะได้มาเรียนรู้วิธีที่เราจะทําให้จิตใจเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถ้าเรายังมีมีนิสัยเดิมติดมาอยู่เขายังติดกับความสุขจะทางลาบยศเสรเสริญสุขอยู่ถึงแมเราจะมาเจอพระพุทธศาสนากี่ลอกกี่ครั้งก็ตามเราก็ยังจะไม่ให้ความศรัทธาเท่าที่ควรเพราะเรายังติดอยู่กับลาบยศเสรเสริญสุขอยู่เราก็ยังอยากจะหาความสุขจากการมีทรัพย์สินมีสมบัติข้าวของเงินทองเรายังอยากจะอยู่แบบสุขอย่างสบายทางกายทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ ถ้าเราไม่สามารถตัดกามาันท้ตัวนี้ได้โอกาสที่เราจะไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะเป็นไปได้ยากมากมเราต้องไปศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านอยู่กันอย่างไรท่านหาอะไรกัน<ม>ท่านหาธรรมะหรือท่านหาสตางกันท่านหาสติหรือหาสตางกัน่ดนใหญ่ท่านก็จะไปเป็นนักบวชกัน พอบวชแล้วท่านกระทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์นู่นก่อนๆแล้วก็นำมาม า, มาปฏิบัติปฏิบัติอย่างขมักขมัน ป, ปฏิบัติอย่างเต็มที่มไม่ปล่อยให้เวลามี่ขา่นี้หลุดไปโดยไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมเลยจะปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่ไม่สามารถปฏิบัติได้<ม>พอตื่นขึ้นมาปั๊บการปฏิบัติก็จะเริ่มต้นทันที คือปฏิบัติด้วยการเจริญสติการเจริญสตินี่แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนั่งหลับตานั่งสมาธิถึงจะเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัตินี้อยู่ที่การเจริญสตินี้ถ้าเรามีการเจริญสติเมื่อไหร่ก็ถือว่าเราเริ่มมีการปฏิบัติเมื่อนั้นถ้าเราเริ่มบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปนี้เราปฏิบัติแล้ว เราไม่ต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัวใส่ชุดขาวก่อนแล้วก็มานั่งกาบผ้าก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติการปฏิบัตินี้อยู่ที่การเจริญสติพอเราตื่นขึ้นมาปั๊บลืมตาปั๊บก็ตั้งสติขึ้นมาเลยพุทโธเลยถ้าเป็นนักมวยก็พอขึ้นเวทีก็ชก ค, คู่ต่อสู้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาให้กับการว่ว้ครูให้เสียเวลาพอขึ้นเวทีเจอหน้ากันก็ต่อยหน้ากันเลย อย่าปล่อยให้คู่ต่อสู้เราต่อยเราก่อนถ้าเราไม่มีพุโทโธก็ถือว่าเราถูกคู่แล้วก็ปล่อยให้คู่ต่อสู้ของเราต่อยเราแล้ ว, ลวคู่ต่อสู้ของเราก็จะชวนเราให้ไปคิดถึงการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากการไปหาเงินหาทองไปหาอะไรต่างๆทางโลกงั้นเราต้องหยุดมันพอเราเตื่นขึ้นมาปั๊บล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ ไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรที่ที่จําเป็นต้องทําเช่นต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเงือ้อแต่งตัวทําความสะอาดสถานที่เราก็พุโทโธพุโทโธไปอยู่เลยคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดถ้าไม่คิดเราก็หยุดพุดโทโธได้แต่พอมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ต้องพุโทโธต่อไปแล้วพอเรามีเวลาว่างไม่ต้องทําภารกิจอะไรเราก็ไปหามุมสงบที่ตรงไหนงเงียบ นั่งหลับตานั่งขัดสมาหลับตาถ้าขัดสมาไม่ได้นั่งนั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วแต่ถ้านั่งไม่สำคัญเท่ากับการนั่งด้วยด้วยการมีสติหรือไม่มีสติถ้านั่งพับเพียบนั่งขัดสมาแต่ไม่มีสตินั่งแล้วจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดประโยชน์เลยรสาระสำคัญของการนั่งสมาธิอยู่การมีสติหรือไม่มีสติ ในการจะมีสติมานั่งสมาธิได้นี้ก็ต้องเกิดจากการเจริญสติตั้งแต่เตื่นขึ้นมาเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธเลยพอเราพุโทโธเราก็คอเราก็ห้ามห้ามความคิดสกัดความคิดที่เคยเคยคิดเรื่อยเปื่อยได้ทันทีถ้าเราไม่มีพุโทโธเมื่อไหร่ความคิดเลื่อยเปื่อยมันก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเราได้เจริญพุโทโธอยู่เรื่อยๆจนความคิดมันไม่เกิดเราก็หยุดพุดโทโธได้ เราทําอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปแล้วก็คอยดูใจว่ามันเริ่มคิดหรือไม่ถ้าเริ่มคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันเมื่อ น, นั้นพุทโธนี่เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ถ้ารถยนต์จอดนิ่งๆอยู่เราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกแต่พอรถเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องการให้มันวิ่งเราก็ต้องเหยียบเบรกฉันใดจิตเราก็เหมือนกันเราไม่ต้องการให้มันคิดพอมันคิดเราก็ต้องใช้สติหยุดมันทันทีสติจะก็คือพุทโธนี่เป็นเป็น เป็นสติที่ง่ายที่สุดเพราะใคยๆก็พูดคําว่าพุโทโธได้ไม่ยากเย็นตรงไห น, นไม่ต้องออกเสียงด้วยดั่ง ล, ลึกไปภายในใจเท่านั้นพุทโธพุทโธไปในใจถ้ามีพุโทโธอยู่ในใจความคิดด้วยเปื่อ ย, ย, mm hmm. ย, ยก็จะไม่เกิดใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านใจก็จะว่างจะเย็นจะเบาจะสบายความหิวในลูกเสียงกิดน้อยก็จะไม่เกิดเพราะว่าถูกอํานาจของพุโทโธสกัดกัน้นเอาไว้ hmm. มันก็จะทําทให้เวลานั่งสมาธินั่งได้อย่างง่ายนั่งได้อย่างสบายสงบง่ายสงบเร็วนี่คือประการสำคัญของในการปฏิปฏบัติชนะจิตใจกําจัดกิเลสตัณหาในเบื้องต้นต้องกําจัดด้วยสติก่อนต้องหยุดมันไว้ก่อนถ้าเราไม่มีกําลังจะหยุดกิเลสได้ถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญารู้ว่ากิเลสเป็นตัวที่พาให้เรามาทุกข์พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าเราไม่มีกําลังหยุดมันเราก็จะหยุดมันไม่ได้ปัญญาที่มีก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้พวกเรามีปัญญากันแล้วเพราะเราได้เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้จักอริยรรสัจสี่กันแล้วรู้ว่าความทุกข์ใจของเราการเกิดแก่เจ็บตายของเราเกิดจากการหาความอยากทั้งสามอยากไนอยากเสพการอยากเสพรูก ป, ประชานอยากจะเสรประลูกประชานแต่เราหยุดความอยากนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกสตินั่งสมาธิ แต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิจนกระทั่งจิตรวมเป็นสมาธิได้เข้าฌานได้ก็แสดงว่าสติเรามีกําลังที่จะหยุดหยุดความอยากได้แนละ้วพอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาปับ๊บอยากจะเสบรูปเสียงกินรสเราก็สามารถใช้ปัญญามาเตือนเราว่าอย่าไปเสบมันเป็นทุกข์สิ่งที่เราเสบมันเป็นหนอนยาเสบติดเสบแล้วมันจะติดแล้วเวลาไม่ได้เสบมันจะทุกข์ถ้าเราไม่ไปเสบมันเราก็จะไม่ติด แล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่อย่างสบายเราก็ฝืนความอยากไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ใบความอยากที่มันเคยทำอะไรตามตามความพอใจของมันเมื่อมันไม่ได้ทำตามความพอใจมันก็จะหมดกําลังไปทุกครั้งที่มันอยากปั๊บปัญญาก็จะมาบอกว่ามั น, เ ป, นเป็นตายลักเปล น, นิจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราอยากแล้วอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่อีกไม่พอจะอยากไปจนวันตายต้นขั เราตายแล้วก็ไปเกิดใหม่จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไม่หยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่จะหยุดได้นอกจากมีปัญญาแล้วต้องมีสติมีสมาธิด้วยถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสติสมาธิก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดแต่เมื่จะรู้ว่าอยากจะพาให้ไปทุกข์ก็ตอนนี้ขอข อ, ขอทำก่อนอยากเพราะถ้าไม่ทำแล้วมันทรมานใจเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทาตามความอยากนี่มันทรมานใจ ก็ฝืนสู้ความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีสติมีสมาธินี้เวลาเกิดความอยากใจจะไม่ทรมานเพราะใจมีโอเบขาคอยรักษาใจให้นิ่งให้เฉยไม่ทุกข์ทรมานไปตามความอยาก <ừ. S 2> ถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้ถูกกำจัดถึงแม้มันจะโผล่ขึ้นมามันก็ไม่รุนแรงมันไม่ได้สร้างความทุกข์ทรมานใจเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิไม่มีไม่มีสติ อันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องเจริญกันต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เรายังต้องเจอกันอยู่ต่อไปนี้ให้มันหมดไปจากจิตจากใจก็คือเราต้องหมั่นเจริญสติกันพยายามเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคอยควบคุมความคิดคอยห้ามความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งหลับตานั่งสมาธิไปทําจิตให้รวมให้นิ่งให้เฉยให้สงบให้สบาย พราะจิตสงบสบายจิตอิ่มแล้วก็จะไม่หิวกับความโลภความอยากกับรูปเสียงกิ่นรสต่างๆนอกจากว่าเวลาออกจากสมาธิมาพอมันไปได้เห็นได้สัมผัสรับรูบร้มันก็เกิดความอยากขึ้นมาได้ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาเตือนว่าอย่าไปทําตามความอยากแล้วพอปัญญาเตือนว่าอย่าไปทําเพราะมันเป็นทุกข์ เ, <อ>เราก็ใช้สติสมาธิหยุดความอยากได้<อ>นี่แหละคือวิธีการที่เราจะทําให้จิตใจของเรานี้เจริญนุ่งเรือ ก้าวหน้าจากขั้นที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้คือขั้นของของการเป็นมนุษย์นี้ให้ขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานได้ด้วยการขั้นแรกก็คือระงับการกระทำบาปทั้งปวงรักษาสินห้าไว้ให้ดีและเว้นจากการเสพอบายามุขแล้วก็มีเงินมีทองเหนือกินเหลือใช้ก็เอาไปทำบุญทำประโยชน์ของก้อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือตอบแทนบุญคุณของกับกับผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่น บิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอจารงเวลาท่านแก่เท่าลงท่านอาจจะต้องอาศัยเราพรึ่งพาเราให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องทำด้วยความยินดีเพราะเมื่อก่อนท่านก็เคยเลี้ยงดูเรามาตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเลี้ยงดูท่านเป็นการทดแทนบุญคุณมีเงินมีทาง่าถือว่าเป็นการทาบุญไปทำบุญทำทานแล้วจะทำให้จิตใจเราสะอาดจิตใจเราเป็นเทพขึ้นมาสูงขึ้นมาจากจากการเป็นมนุษย์ แล้วพอเราทําบุญทําทานได้ต่อไปเราก็จะไปเจริญสตินั่งสมาธิถือศีลแปดได้เมื่อเจริญสตินั่งสมาธิถือศีลแปดได้เราก็จะได้ความสงบของสมาธิพอเรามีความสงบของสมาธิแล้วเราก็สามารถไปศึกษาทางปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องกําจัดต้องหยุดก็คือตัณหาความอยากต่างๆที่มันยังมีอยู่ในใจของเราพอเกิดตัณหาเมื่าแล้วเราก็ต้องหยุดมันทันที เพราะัญหาจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงทำอย่างนี้ไปแล้วรับประกันได้ว่าภพนี้ชาตินี้ก็อาจจะไม่สายเกินไปสามารถที่จะทำให้จิตใจเรายังหลุดพ้นกันได้อยู่แต่ต้องเรีบรีบทำกันเพราะเวลาไม่คอยใคร น, นี้ก็คือเรื่องของพรที่พวกเราต้องทุกคนต้องการคื อ, อพวกเราต้องการความสุขความเจริญของจิตใจเราไม่ต้องการความทุกข์ความเสื่อมเสียของจิตใจ เราต้องการให้ใจของเราจเจริญรุ่งเรืองไว้นจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งนี้มีหน้าที่สอนเราบอกเราให้ทำเท่านั้นเองแต่เราต้องเป็นผู้กระทํากระทําตามที่พระเจ้าทรงสอนอยู่สามข้อด้วยกันคือหนึ่งละ ก, การกระทํำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. าชำระจิตใจให้สะาาอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความอยากต่างๆถ้าเราสามารถปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะสามารถพัฒนายกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของพอรวันปีใหม่ที่เอามาฝากในวันท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรหติสาคขังเอวเมวาอิโตทินังเอตานาอุปการปติอิทิตังปัติตังตุมหังคิดเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณนิโชติ ภะราสุยะถาสัพพิติโยวิวัชฌานตุสัพพโควินาศตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสศนิจังวุฒาปจายิโนจตารูธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง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 วันนี้มีผู้รับฟังทางเ a c e b o o สอง8้อยเก้าสิบปดท่านยู u ูบพัสุชาติไ like ลน์สาม้อยสาสิบสี่ท่าน y o u t u b e อกเหสิบสท่านวิทยุออนไลน์สิบสามท่านกลับเ้าสเจ็ดท่านหน้ากุฏิสองอยหกสิบสองท่านรวมทั้งหมดเก้าร้ยเจ็ดิแปดท่านครับระอาจารย์มีคำถามจากผู้ฝากถามนะคะ มาถือสินแปดที่วัดรับศีนกับพระแล้วแต่ยังแต่งหน้าทาปากทาเล็ฟใช้น้ำหอมใส่เครื่องประดับอยู่บาปหรือไม่คะก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ก็ยังไม่ได้รักษาศีนอย่างสมบูรณ์ศีนข้อเจ็ดนี้ต้องไม่เสริมสวยความงามของร่างกายปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติทำความสะอาดได้วิผ้าวิผมไม่เรียบร้อยได้ แต่ไม่ต้องเสริมสวยความงามเพราะเราต้องการมาเสริมสวยความงามทางจิตใจแทนจากทางนากุติค่ะกราบพระอาจารย์ที่เคารพค่ะหนูได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแต่เงินเดือนไม่ขึ้นงานหนักขึ้นสองเท่าลูกน้องจ้องเลื่อยขาเก้าอี้หนูควรพิจารณาอย่างไรดีคะกราบ<ะ>ขอบพระคุณค่ะละออสะส้เอาซเลยทำาพื่อไงจากนากุติค่ะ กลับท่านพระอาจารย์ที่เคารพด้วยเสียงกล้าวค่ะคุณแม่มีลูกสองคนคุณแม่ยกมรดกทั้งหมดให้ลูกคนสุดท้องหมดหนูควรพิจารณาอย่างไรคะเพราะหนูเป็นคนดูแลรักษาเลี้ยงคุณแม่อย่างดีและเต็มกําลังค่ะที่ว่าเป็นข้อสอบของเราก็แล้วกันว่าเรามีมุลิตาจิตหรือไม่เรามีความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นหรือไม่เรามีความกตัญญูกะตะเวที เรนดีที่จะรับใช้พ่อแม่ทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือไม่อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราทําได้เป็นข้อสอบตายไปแล้วก็ไปไม่ได้หรอกทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างต่างแต่สิ่งที่เราไปได้ก็คือความดีงามอาบุิตาจิตไปเอาเมตตากรุณาไปอันนี้จะได้ความสุขมากกว่าเงินทองเวลาตายไปจากเงินทองไปแทนที่ยังมีความสุขกับเกิดความเศร้าโศกเสียใจ คำถามจากทาง น, ากากนักกุฏิค่ะกราบนามสการพระอาจารย์ครับเวลาที่ขับรถสามารถใช้คําบริกรรมพุทโธได้ไหมครับได้แต่สําคัญต้องอ ย, อยู่อยู่ที่การขับรถเป็นหลักต้องดูถนนดูอะไรต่างๆไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ขณะที่เราดูถ้าใจเรายังดึงยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธช่วยดึงมันไว้ก็ได้แต่อย่าลืมขับรถก็แล้วกันมัวแต่พุทโธพูทโธ เดี๋ยวใครตัดหน้ารถก็เย็บเบรคไม่ทันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้จากคุณนาวินค่ะกลับเรียนถามราจารย์มีวิธีการแก้ไขาอาการย้ำคิดย้ำทำได้ไหมครับย้ำคิดย้ำทำใช่ค่ะก็ใช้พุโทโธนี่แหละถ้ามันย้ำคิดย้ำทำก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันได้จากท่านต่อไปค่ะกลับเรียนถามค่ะคุณแม่นอนติดเตียงไม่ได้ไปทําบุญเลย ลูกโอนร่วมทอดพระป่าและมาบอกให้ท่านอนุโมทนาและท่านก็ยกมือสาธุท่านจะได้มีส่วนบุญนี้ไหมเจ้าคะบุญที่จะเกิดจากการให้ทานท่านไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้เสียสละเงินทองของท่านเองแต่ท่านจะได้บุญจากการอนุโมทนายินดีกับการทําบุญของเรา ถ้าแม่อยากจะได้บุญแม่ต้องเป็นคนบอกลูกเองว่าอยากจะทำบุญเอาเงินที่ของแม่ช่วยไปซื้อผ้าตายให้หน่อยแล้วไปถวายพระถ้าแม่สั่งอย่างนี้แม่ก็จะได้บุญจากคุณไบรท์สัญชัยค่ะมีสามข้อค่ะข้อที่หนึ่งนะคะธาตุรู้เป็นอมตะธาตุเหมือนหรือต่างกับจิตผู้รู้คะและต่างกันอย่างไรคะอันเดียวกันธาตุรู้กับจิตนี่นเดียวกันข้อสองค่ะ วิญญาณในขันห้าใช้จิตผู้รู้ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของจิตผู้รู้เป็นเป็นความสามารถของจิตที่สามารถส่งกระแสมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้ข้อสามค่ะความคิดจัดเป็นขันประเภทไหนคะน้ำขันความคิดปรุงแต่งนมามขันเป็นความสามารถของจิตเหมือนกันจิตมีความสามารถอยู่ห้าห้าห้าอย่างด้วยกัน หนึ่งสามารถรู้รู้เรื่องราวต่างๆได้สองสามารถมีความรู้สึกได้สามมีความจำได้หมายรู้สี่มีความคิดปรุงแต่งห้ามีความสามารถที่จะส่งกระแสวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายมาเสกได้จากคุณวิสาขาค่ะ ได้ฝึกปฏิบัติสมาธิโดยภาวนาพุโทโธพร้อมกับตามตามดูลมหายใจเข้าออกขณะปฏิบัติบางครั้งเกิดสภาวะที่รู้สึกเหมือนเห็นตนออกจากภายในรู้สึกถึงการพองและยุบ ข, ของหน้าอกอย่างชัดเจนรับรู้เฉพาะภายในโดยไม่รู้สึกร่างกายภายนอกเลยบางครั้งกับรู้สึกเหมือนเห็นตนเองออกออกจากภายนอก เห็นร่างกายทำอิรยบทต่างๆเรากับเป็นผู้สังเกตการที่มองดูร่างกายของคนอื่นไม่แน่ใจว่าสภาวะเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เริ่มเกิดความสับสนไม่มั่นใจว่าวิธีการปฏิบัติที่กำลังดำเนินอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่และรู้สึกว่าการภาวนาเริ่มยากขึ้นเพราะความไม่แน่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นขอหลวงพ่อเมตตาแนะนาแนวทางปฏิบัติค่ะ เวลาเรานั่งทําสมาธิเพื่อทําให้ใจสงบด้วยการดูลมหายใจด้วยการบริกรรมพุโทโธให้เราอยู่กับการดูลมอยู่กับการบริกรรมพุโทโธเพียงอย่างเดียวเวลามีอาการอะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ถ้าตามรู้ใจเราก็จะคิดปรุงแต่งไปใจก็จะไม่สงบดั mm hmm. งนั้นอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นให้กลับมาที่ลมหายใจให้กลับมาอยู่กับพุโทโธอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ ข้าแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนถ้าใช้ลมอย่างเดียวก็กลับมาที่ลมใช้พุโทโธอย่างเดียวก็กลับมาที่พุโทโธถ้าใช้พุโทโธกับลมลก็กลับมาหาพุโทโธกับลมอย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆจากคุณปิยาค่ะขอสอบถา ม, มพระอาจารย์ครับในแต่ละวันเมื่อเจอสิ่งที่มากระทบทางหูจะ จมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์สติสัมปชัญญะปัญญาทํางานอัตโนมัติพิจารณาแล้วเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปรุงแต่งปรุงต่อเห็นบ่อยๆวางใจเป็นกลางสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาดึงจิตเข้าหาฐานผู้รู้มีสติตั้งมั่นอยู่กับงานปัจจุบันทําแบบนี้ทุกครั้งถูกต้องไหมครับถูกต้องให้สักแต่ว่ารู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้ แม่ว่าจะเป็นเสียงก็ดีเสียงด่าก็ดีเสียงชมก็ดีรับรู้แล้วก็ปล่อยวางสักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่าไปดีใจเวลาที่เขาชมอย่าไปเสียใจเวลาที่เขาดา่าเฉยๆไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปใจเราก็สงบสบายถ้าเราไปรับไปมีปฏิกิริยาใจเราก็จะวุ่นวายขึ้นมา คำถามจากทางอินบ็อกค่ะโยมสับสนเจ้าค่ะโยมเคยได้ยินว่าถ้าจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้วงเล็บอรหันตผลต้องรู้แจ้งว่าไม่มีจิตผู้รู้ไม่มีจิตแปลว่าจิตไม่ใช่ธาตุรู้ซึ่งเป็นอมตะธรรมหรอเจ้ า, าคะอตอนนี้ยังไม่ต้องรู้ถึงขั้นนั้นนะ่ะตอนนี้ให้รู้จักรักษาศีลให้ได้ก่อน รักษาสติจเจริญ ส, สติทําใจให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ก่อนถ้าค่อยไปถึงขั้นปัญญาะไปตอนนี้ไปขั้นปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันจะสับสนมันจะไม่เข้าใจมหมดได้หรอหล้ ค, คมีใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้ยังมีเวลาอย่างเล็กน้อยพอจะถามได้สักสองสามคำถามถ้าไม่มีก็ท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้